มีตั้งแต่ฟักแฟงแตงกว่าไปจนถึงตะไคร้กระชายใบมะกรูดส่วนหน้าบ้านนั้นทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกจำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมาลิวันมลิซ้อนและดาวเรืองกำลังออกดอกสะพรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบาย ด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยามาให้บนระเบียงหน้าบ้านยายวัยแปสกับหลานชายผมแกละวัย12กำลังช่วยกันเก็บกากข้าวสารในกระดง้งอย่างขมะักขะม้นเออนี่ไอหนูเมื่อื่นนี้ยายต้องไปอยู่วัดศรัทธาพิรม สองคืนกับสามวันเพราะที่วัดมีเทศมหาชาติเอ็งอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อนครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติก็ต้องเทศคาถาพันนำก่อนใช่ไหมครับเด็กชายเจริญถามเพราะเคยฟังเทศมาตั้งแต่อายุห้าหกขวบถูกแล้ว เหมือนเวลาที่ลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขกเสียก่อนนั่นแหละยายเปรียบเทียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุ ก, กว่าฟังพระเทศนะครับยายยิ่งเวลาที่ท่านเทศขัดหาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำํำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังหน้าหลานพระท่านว่า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 ผมว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม้ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้เท่าทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไหร่ยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกลลถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อฟังเทศแล้ว ยายังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีปีละสองครั้งโดยนิมนต์มาคราวละสามรูปรูปหนึ่งเดินคาถาจนจบหนึ่งพันอีกสองรูปเทศแบบปุตชาวิสัชนาและว่าแหลกกับว่าทํานองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นในวันเดียวคงจะถัดไปอีกสองวันพระเอ็งถามทำไมหรือ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 ทำไมจะต้องคิดถึงในเมื่อเขาอย่างไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเอ็งรู้ได้อย่างไงว่าเขาไม่คิดถึงเอง็งหรือว่ามีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาวแล้วยายรู้ได้อย่างไงว่าเขาคิดถึงผม หลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้จิตใจของลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกใส่ไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตำบลบางมุ่งหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่าผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รัก ที่พี่สาวผมเก้าคนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเขาเลี้ยงไม่ได้ทำยังกับว่าผมไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักแล้วให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพรั่งพลูออกจากปากของเด็กชายอายุส2องด้วยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักไอ้หนูเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมหันเกี่ยวนะ ที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้นะ่ะเอาละ่ะยายจะเล่าความจริงให้ฟังเอ็งจะได้เลิกเข้าใจเข้าผิดผิดเส็ดทีแล้วยายจึงเล่าว่าพ่อกับแม่เอ็งเข้าไม่ได้เป็นอย่างที่เอ็งคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเอ็งให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะเมื่อป่าป่าลุงลงของเอ็ง เขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เองด้วยยายก็อยู่กับตาสองคนต่อมาตาของเองก็บวชเส อ, อีกในว่าหวังมักผลนิพพานยายก็อนโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เท่า สังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่วันน้ำท่าก็ตักไม่ค่อยจะไหวเลยไปเรียนปรึกษาหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาไว้ใช้สักคนหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดสัทธาพิรมใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นและไม่น่าถามไม่ถามได้หรือครับ ก็เพราะหลวงพ่อองค์นี้แหละที่ทําให้ผมถูกยายเคี่ยนจนหลังลายสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพยายให้ผมไปส่งปินโตเพนท่านทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนตอนถูกยายทําโทษนะ่ะใช่แล้วเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงขวายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้ วันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยายก็คงติยังไม่รู้แล้วอิงจะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อซะด้วยจะรอให้ท่านกลับซะก่อนก็ไม่ได้ล้านชายพอเอาเธอเอาเถอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้น ฟังยายเล่าต่อดีกว่าแล้วคนอายุ8ปดสิบหากความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเ้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านว่าดูหน่วยกานแล้วเองจะดีกว่าเด็กผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยก้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูง ผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยมในตาเล็กเรียวหากก็ใช้แววแห่งความฉลาดแกมเจ้าเล่ห์ชนิดที่คนเก่งกาดอย่างยายยังตามไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้รอกแต่เพราะขัดหลวมพอเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ ยายจึงได้เลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้หกขวบแต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยายจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยยายคิดมากไปได้ที่ยายเล่ามาก็แปลว่าพ่อแม่ก็รักผมเหมือนกันแต่ทาไมเขาไม่มาเยี่ยมเยียนผมบ้างล่ะครับ บ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไรตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกะยังคลางแคลงใจเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต่ายั่วยะยังกับฟงแย่แต่ละคนสนยังกะลิงแค่รบกับลูกก่าวคน้นก็หมดวันแล้วเกิดมาข้าก็ไม่เคยพบเคยเห็น เด็กผู้หญิงอะไรสนจะยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเองว่าไม่จริงจริงครับแม้ยายน่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเสนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อกับแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายกโกรธหายน้อยใจส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิดอยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนๆถึงจะถูกยายบ่นว่าเคียนตี ก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแยะแต่โซนเหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดคล้องจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเขียนตีก็เพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจงรักแบบนี้ไม่ไหวบางวันยายตีผมสามเวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยก็บุญแล้ว รือเองอยากให้ทำแบบนั้นยายไม่ขัดข้องหรอกนะคนอายุ8ปดิบท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงป่านนั้นแต่เอ๋ยายครับใน เ, เมื่อยายรักผมแล้วทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกลางขาบุรานท่านสอนไว้ว่า รักอัวให้ผูกรักลูกให้ตียายถึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณทันสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งบัวทั้งลูกของยายนี่นะยายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูกล้านชายต่อว่านอกจากถูกเคี่ยนแล้วเขายัางถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละสองครั้งเพราะเวลามีเทศมหาชาติที่บ้านยายจะบังคับให้เขาฟัง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 แล้วยายไม่อายชาวบ้านเขาหรือครับคนเป็นหลานตั้งใจยัว่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องที่ยายมีลูกตอนแก่น่ะสิครับอายทำไมเพราะยายไม่ได้ทำผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทำความชั่วเองจำไว้นะไอ้หนู พระท่านสอนไว้ว่าคนดีนั้นจะต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขากดจะไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและลับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทำชั่วลับหลังคนอื่นแต่ต่อหน้าไม่ทำก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่คนแบบนั้นนะ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 ไอ้หนูยายรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเองที่ ค, บ, คบกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ขอให้เชื่อยายเถอะไม่เช่นนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรมธรมดาธรรมดายายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาหลานชายรู้สึกรำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่า ยายครับคาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาที่พระทันเทศมหาชาติจึงต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระดง้งเดินออกไปฝัดที่นอกชานเพื่อละอองข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะได้ไม่พลาดพลัง้งให้ต้องอับอายขายหน้าฝัดข้าวเสร็จยายนเข้าสารในกระดง้ง ไปใส่ใน อ, องค์ลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระด้งขณะใช้ทนานทำด้วยกลาม่าพร้าวตักข้าวยายขบคิดหาคําตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายัางที่หลานชายนั่งเพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทางานขณะที่สมองทาหน้าที่คิดแล้วยายก็ได้คาตอบ ที่เรียกว่าคาถาพัน์พราะเนือเรื่องมหาเวสันดอนชาดกแบ่งออกเป็น13ตอนยายเปิดฉากการสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่าหนึ่งกันและแต่ละกันจะมีจํานวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมี1ิ ขาถาหิมมาผ่าน134ธานกัน209วรรณประเวท57ชูชก79จุลพล35มหาพล80กุ ม, มาร101มัด490 สักกั บ, บัมสีามหารา 69. ช69สก้ฉกัตร์ิและกันสุดท้ายชื่อนครกันมี48คาถาเอ็งลองบวกดูสิได้หนึ่งพันหรือเปล่าเด็กชายละมือจาัด ก, การเก็บกากข้าสาร ทำท่าครุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จําได้หมดขนาดยายไม่ไดเรียนหนังสือนะเนี่ยหลานชายชมอย่างจริงใจและช่วยเก็บกาข้าวต่อกก็ยายฝังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปัน้นทวดของเองก็าพายายเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่ยานุมสมัยก่อน ไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่แล้วทวดเองก็ชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงยาญ่ไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสันดรชาดกทั้งสิบสามกันใยญย่จำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมสเทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันเท่านั้น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 จะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีไหมดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นดีกว่าทำไมล่ะก็ผมยังไม่อยากให้ยายตายนี่ครับยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันล่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอก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 มันก็ต้องตายอยู่ดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดที่ไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือทรัพย์สมบัติเอาเถอะถ้าเองอยากได้สมบัติของยายยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ตนแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกลกของยาย เขาจะมาวุ่นวายกับเองเพระยายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่เนี่ยเป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทำให้เด็กชายเจริญปิติเสนักขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือว่ายอย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าป้าลุงลงเข้ามายุ่ง เพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหรียญ น, นั้นรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้างอมแงมเข้าหมายถึงลูกสาวคนโตของยายพูดถึงลูกคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันผ่าเหล้าผ่ากอมาได้ยังไงตากับยาย ไม่เคยดื่มเหล้าแต่นั่งเหรียนกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาติตับบุตรนั่งคนนี้ตายไปคงไม่แล้วตกนรกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมันมันทำตัวมันเองใครๆก็ช่วยไม่ได้ยายพูดปรงๆงงนรกอยู่ที่ไหนครับยาย ล้นชายถามคนอายุ8ปดสิบีนิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนตอบว่าพระท่านบอกอยู่ใต้ดินอย่างนั้นหรือครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งผลุนพลันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหนยายตะโกนตามหลังไปดูนรก ค, ครับเขาหายไปอึดใจใหญ่ จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปรอะปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนรกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ่งกือพูดพร้อมกับแบมือให้ดูยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดำปีของหลานกิ่งกือนอนสลบนิ่งส่วนไส้เดือน ดิ้นกระเด๋วกระเด๋วแล้วยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่ง